พระบัญญัติ 1,055 ก็ภิกษุณีใดไม่ไปรับโอวาทหรือทำเป็นเหตุอยู่ร่วมกันต้องอาบัตรปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชัวพัีจบ